คำว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นเป็นความจริงของธรรมที่เป็นอย่างนั้นตลอดมามีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นแต่การที่จะรู้เห็นธรรม ตามขั้นภูมิของของธรรมของใจนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเพื่อสัมผัสสัมพันธ์ธรรมนั่นๆแต่ละรายๆายไปไม่ได้ตลอดทั่วถึงเหมือนกับคำว่าธรรมมีอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนั้น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 ทมปรากฏขึ้นอย่างเต็มส่วนนั่นแหละในผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยการปฏิบัติของตนนั้นจิงขึ้นดูกับปูบายวิธีการต่างๆตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และกำลังวังชาของตนไม่เช่นนั้นไม่มีทางทราบตามความจริงแห่งธรรมที่มีอยู่และธรรมนี้จะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่สัมผัสมีทางเดียวคือใจและการที่จะสัมผัสธรรมขั้นนั้นๆได้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติความสามารถ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 น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นทําขั้นนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นความสัญญาคือเป็นความคาดหมายของกิตธรรมดาธรรมดาที่ไม่เจอความจริงเพราะไม่ได้ปฏิบัติการเจอความจริงต้องเจอด้วยการปฏิบัติปริยัติ ได้แก่การศึกษาเราเรียนมามากน้อยเช่นศึกษาจากอุปชายะในวงกรรมฐานห้าเป็นต้นนี่เรียกว่าภาคปริยัติบอกสอนสถานที่ที่ทำงานพิจารณาที่คลายดูงานให้เห็นตามความจริงของมันเป็นสัตว์เป็นส่วนไป เป็นต้นมีเรียกว่าปริยัติปฏิบัติการนาสิ่งที่เรียนคือเกสาลมมานขาเดตาตัดโจเป็นต้นไปคลี้คลายดูตามที่ท่านสอนไว้ว่าอาการนั้นนั้นแต่ละอาการเป็นอย่างไรพินิจฐพิจารณาดูอาการนั้นนั้นหรือในเบื้องต้นยังไม่สามารถจะลี้คลายด้วยปัญญาได้ ก็ น, นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมให้จิตมีความสงบไม่มีให้จิตมีความจดจ่ออยู่กับอาการแห่งธรรมบทนั้นๆอันเป็นภาคสมถะเพื่อความสมุกสงบใจด้วยกรรมฐานแต่ละบทละบทที่ตนนำมาบริกรรมภาวนาจากนั้นก็คลี่คลายดูอาการนั้นๆไปโดยลำดับ ที่สัมผัสสัมพันธ์กันหรือดูดดื่มกันทั่วสารพางร่างกายจนปรากฏเป็นความเห็นชัดโดยลำดับด้วยปัญญาถึงขั้นซึ้งภายนาจิตนี่เป็นความเชื่อแน่ว่าเป็นอย่างที่ท่านสอนจริงเห็นอณิจังความแปรสภาพก็เห็นได้อย่างชัดเจนภายในการปฏิบัติของตัวทุกครั้ง ความทุกข์ก็เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งทางร่างกายและจิตใจอนัตตาดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนี้หาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้เลยแม้จะอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็ตามนันก็เป็นสภาพอนัตตาปฏิเสธความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาอยู่โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละิตได้อย่างทราบเห็นชัดในสิ่งนี้ แล้วถอนตัวออกมาจากความทิดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงของสวยของงามของกีรังเท้าวรมว่าเป็นของให้สิ่งให้เกิดสุขปล่อยออกมาได้ด้วยาำลังนี่คือผลเริ่มรู้เริ่มปล่อยรู้มากปล่อยมากรู้น้อยปล่อยน้อย ต่อยความกังบุญความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนี่คือภาปฏิบัติผลเกิดขึ้นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเรียนแล้วจึงถ้าต้องการผลไม่ต้องการชื่อของกิเลสและบาปธรรมเพียงเท่านั้นก็จำต้องปฏิบัติเพื่อเห็นผล ตรงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อปฏิบัติเช่นท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวนะ่ะเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันให้ถึงผลอันเป็นที่พึงพอใจหากว่าทำทั้งสามอย่างนี้ขาดไปเสียอย่างใด อ, อย่างหนึ่งเฉพ่ออย่างยิ่งสองอย่างเบื้องต้นคือปริยัติปฏิบัติขาดไปเสียผลคือปฏิเวทความรู้แจ้งแทงทะลุจะไม่ปรากฏขึ้นได้เลย โดยเห็นนี้ทำสองภาคคือปรญาตปฏิบัติจึงเป็นธรรมจำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือปฏิบัติการเรียนนั้นอาจเรียนได้มากได้น้อยต่างกันจำได้มากได้น้อยแต่สิ่งจำเป็นที่จะนามาปฏิบัตินั้นไม่ถึงมากเพียงไรก็ตางเมื่อเป็นพิษถนัดกับจิตใจของตนแล้วนำมาปฏิบัติก็สามารถจะกระจายไป ด้วยความรู้ความเข้าใจเพราะการปฏิบัตินั้นโดยลำดับลำดาจนสามารถรู้ไปตลอดทั่วถึงในส่วนหยาบเช่นรูปปะขันเดี่ยวก็บสภาวะธรรม ท, ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้เวทนาขันจัญญาขันสังขันขั น, ขนวิญญาณขันซึ่งเป็นสภาวะธรรมแต่ละอยา่างนม้จะละเอียดกว่าการประเดินแบบก็พ้นสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ได้ ต้องยังทราบความจริงของสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วแต่เพียงว่าจิตยังไม่จริงตามหลักของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมของจริงในฝ่ายมาัตต์จที่บอกไว้เท่านั้นเมื่อได้นําสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนเข้าวิภาควิจารขุดค้นดูสิ่งที่เป็นของจริงทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยของจริงคือสติปัญญาดังที่กล่าวมานั้นย่อมจะปรากฏความจริงขึ้นมาอย่างประจักใจไม่สงสัยเราผู้มาปฏิบัติพึ่งมีความหลักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าให้ต่อยให้จิตเฟ้ไปในสิ่งที่เคยจำเจมาแล้วด้วยความทุกข์ความลาบากกัมบนเพราะความรุ่มหลงลงมงายนี่เป็นสิ่งที่หลอกลวง ติดใจไม่ให้ก้าวเข้าสู่แดนแห่งความสงบได้มาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วยึ่งไม่ควรติดใจควรเข็ดควรหลักในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เคยให้คุณไม่เคยให้ความถาสุขสบายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากบีบบังคับไปโดยลำดับํำดาถ้าจะตายจริงๆก็มีอะไรมากรอกสักนิดหนึ่ง พอเป็นพอเป็นเครื่องล่อไม่ถึงกับให้ตายแต่สัตว์ที่มีความโง่เขลาอยู่แล้วเครื่องล่อนั่นก็คือกิเลสความหลงไปตามเครื่องล่อนั่นก็คือกิเลสมันก็ฆ่ากันได้อย่างสนิทติดจมเห็นโทษเห็นขุนไม่ได้แล้วก็จมไปด้วยการอยู่อย่างนั้นผูนะ้ปฏิบัติเพื่อจะกาจัดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเต็มไปได้วยโทษ โดยประการต่างๆจึงควรตระหนักในใจเราเชื่อกิเลสแล้วก็เชื่อมานานกิเลสนี้ไม่ต้องมีใครเสียกสัรปั้นยอไม่ต้องบำเพ็ญไม่ต้องทําหน้าที่เพิ่มความจงใจตั้งหน้าตั้งตาสร้างเหมือนสร้างอัดสร้างรมสร้างบารมีมันก็เป็นกิเลสขึ้นได้เพราะพื้นเพของมันเป็นกิเลสอยู่แล้ว ภาในาหัวใจลว้วนแหนแต่กิเลสท้อมล้อมลึกกุ้มลุมอยู่หมดจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอเมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงออกแต่ละอาการของของจิตจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่มีไม่ต้องตั้งใจสร้างมันก็เป็นกิเลสแต่การเรื่องแต่เรื่องของธรรมนี้ต้องได้ตั้งจิตตั้งใจสร้างดังพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบรารมี มาเสียสงขายกําไรแสนมหากรัฐนี่ก็คือหมายความมากมากต่อมากการสร้างการสร้างจะไม่ทุ่มเทกําลังความสามารถทุกด้านทุกทางจนเต็มกายเต็มใจของตอแนแล้วแล้วจัดละสร้างได้อย่างไรอยู่เฉยเฉยไม่จัดว่าสร้างต้องพายายามเต็มที่เต็มถางการสร้างอาจสร้างทำจึงเป็นความลาบาก ถาเราจะคิดในแง่ลาบากแต่เราคิดกับเรื่องกิเลสสร้างความทุกข์ให้เรานั้นเราได้รับความทุกข์ความลําบากแค่ไหนหรือตเกียร์ตะการไป ต, ตามกิเลสนั้นมีความลำบากมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกันแล้วทางด้านความทุกข์เพื่อการประกอบความภาพยนนี้มีคุณค่า ม, มีน้ําหนักเป็นสิ่งทีค่ควรเชื่อมากกว่าการเชื่อและทําตามกิเลสเป็นไหน การปฏิบัติธรรมจึงต้องได้มีสติคอยเตือนตนอยู่เสมออย่าให้เผลอจากหลักอย่าให้หลงกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ของมันมีวิเศษวิโสประการใดบ้างใครๆก็ทราบมาได้กัน หากว่าจะวิเศษวิโสโลกทั้งสามนี้ก็วิเศษไปนานแล้วด้วยอำนาจของกิเลสพาให้วิเศษวิโสแต่นี้ไม่เห็นหนีลายใดตากฏเป็นความวิวเศษวิลุษดพ้นจากสภาพตามสามนี้ไปได้จึงต้องอาศัยก า, ารตะเกียบตะ ก, กายตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาองค์ที่ยืนยันรับรองได้ร้อยปเ็นแล้ว ในการที่แกงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยส่วนขาตธรรมหาที่สงสัยไม่ได้ทุกแง่ทุกมุมแม้เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ตา่างเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วหรือเป็นธรรมของจริงร้อยเปอร์เซ็นตเช่นเดียวกับกิเลสเป็นสิ่งที่จอมปลอมร้อยเปรเซ็นเช่นเดียวกันเราต้องนำมาเทียบมาวัดมาตวงกันถ้าแล้ว อยากจะหาทางออกด้วยความชอบธรรมแล้วปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรมแล้วต้องจิตตั้งประวัติถึงธรรมเสมอประวัติถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเสมอเราจะเห็นเจ็ความยากลําบากเพียงขณะขณะที่ทําความเพียรบากเล็กน้อยนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงลําบากขนาดไหนเราควรจะนํามาเทียบตลอดถึงสาวกท่านที่เป็นชนะของพวกเรา ไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เป็นรุ่มรุ่มดอนดเพราะกิเลสตามยียบอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ล้มให้มันเหยียบย่ําทําลายแค่จนแหลกไปไม่รอดก็เพราะหลงกลมายาของมันนั่นเองต้องให้มีความหนักแน่นผู้ปฏิบัติทางยาล้อแหลกความล้อแหลกเป็นเรื่องของกิเลสความหนักแน่น ในอัดในธรรมในการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสต่างหากเป็นการท้อถอยอ่อนแอทางความเพียรด้วยความซึ่งเป็นทางด้านอัดธรรมแล้วเป็นเรื่องของกิเลสใพึงน้มัดระวังเสมออย่าคุ้นกับสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้คุ้นกับสิ่งใดก็เท่ากับคุ้นกับตัวโจรตัวมาตัวมีพิษร้ายแรงนั่นแหละ ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่มันเป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกันด้วยกวันที่เด็ดตัวปู่ย่าตายายเหมือนกันหมดะฉะนั้นทำจริงหาที่แทรกไม่ได้ทาไม่เอาจิงเอาจังเช่นสมาธิทำเราก็ปฏิบัติมานานเท่าไหร่แล้วทำไม่จึงไม่ปรากฏความสงอบล่มเย็น เป็นลำดับลำดาซึ่งควรจะเป็นได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างแท้จริงจะพ้นมือไปไม่ได้กิเลสไม่ได้เหนือธรรมแต่นี้เอากิเลสมาเหยียบย่ําำทำนั่นสินหาผลอะไรไม่เจอผลก็มีแต่เรื่องของกิเลสผิดขึ้นม า, ท, าทั้งๆที่ตนก็สําคัญตนมาประกอบความภาคเพียนนั่นแหละแต่ไม่ทราบว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาตั้งเมื่อไหรเพราะสติปัญญาไม่ทันมัน ทำเลยไม่ปรากฏเพียงสมาธิทำก็ทรงตัวได้ผู้ปฏิบัติเราตามปกติของจิตจะต้องว่าบุนขุนมัวยุ่งเหยิงบุนวายกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอดีตอนาคตปรากฏมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วมันก็ยังดูดดื่มติดใจในอารมณ์นั้นๆ น, น, นี่ก็เพราะจิตไม่มีสมาธิหาที่เกาะนั่นเอง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 ้จิตจะสงบได้หาอุบายวิธีต่างๆสำหรับฝุกผลทรมานตนเองซึ่งเป็นการทรมานหรือเป็นการ ป, าปราบปรานพิเรยไปในตัวจิตจะสงบได้ไม่สงสยัยสังเกตนะักปฏิบัติไม่สังเกตวิธีปฏิบัติการดำเนินของตนเองจะไม่ปรากฏผ ล, ผลแล้วก็จะทำแบบรุ่งุ่งดอนๆจุมสี่จุมห้าไปอย่างนั้นเรื่อยไปผลสุดท้ายก็ล้มเหลว หาผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทำเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิต ด, ดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลําบากาานั่นเองกวาดแก่หาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สิ่งเป็นตุนเป็นใสแต่จิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ ปล่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอนัตธรรมเหมือนกับว่าจิตนี้มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นแหะเป็นที่ดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่แหละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้อยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้ มันปิ่มปิ่มอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดไปว่าอารมณ์นั้นมากวัญอารมณ์นี้มากวัญอารมณ์ไหนมากวัญนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหากว้านเอาตัางหะนี่คือความจริงเพราะมันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้าใจได้รนะับความสงบเยือกเย็นด้วยธรรมแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบลมเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตน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 ทะเลทเลายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยจใจจะทําน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาที่บังคับให้ทําผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการคุดคน้นพิจิตรณาและปรากฏ รู้สิ่ง ต, ต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กําลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึ้งลงไปซึ้งลงไ ป, งไปตัดขาดลงไปโดยลําดับลาบาเมื่อตัดกิเลสขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึง่งตัวหนึง่งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรพเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้าย ค่ามันก็จะจได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นมาตั้งถึงหลานเด่นไม่มีที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทําไมจะไม่แสนจะบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องไปหาความสุขความสลายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องหมายไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมุลมหลังๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของที่เดชมันบีบบังคับแล้วยังสร้างความหวังให้คน เป็นกองทุกข์ขึ้นสองชั้นสามชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกคลมายาของกิเลสนะแต่เมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นะไปโดยลำดับลำดักจิตใจก็เ อ, อิบอิม่มเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเอืออิม่มภายในจิตใจความสุขภายในใจ ด้วยธรรมนี้พิศกับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับตดางๆแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นยากๆก็ ย, ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอนัหญ่เข้าไปโดยตลอทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมตลอดถึงยิมุต ติดรจะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนกับเข้าออกอยู่เรื่อยๆของนั้นเข้าของนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่มันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอน สัรงสนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถีหวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกยากลาบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเร า, ามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตสาห์พยายามสั่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการประพุตปฏิบัติ หูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อมอย่ามาแบบเพ้อเพอเลือรอะไรที่แบบคนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินคือจิตไม่จดจอด่อสิอย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อั่นนั้นแต่องไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มี พอที่จะถือเอาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนักครูอาจารย์และสภาวธรรมตัวทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดนี่มาปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์สามารับเกณฑ์รกกะยีดขวางมันไปโดยไม่รู้สุกตัวนั่นมีอยู่เยอะให้ระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้ว ดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทำข้อวัดปฏิบัติที่เป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงคมนั่งสามาธิภาวนาก็ให้ตั้งเอาอบตั้งใจทำอย่ามาอ่อนแอทอ้ทอถอยมาทำความเกียดค้านกีดขวางศาสนาอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำของพระพเจ้าประกาศทางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอยากจะพูดถึงว่าท้าทายก็ท้าทายความจริงอยู่เสมอท้าทายด้วยความจริงเพราะทำนี่เป็นทำที่มีความจริงสุดส่วนทําไมผู้ปฏิบตัติจริงไม่รู้ไม่เห็นไปทําอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แน่ไว้ทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่ให้ประสบพบเห็นทำทางนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทําไมจริงไม่พบไม่เห็นเดินกันไปยังไง ปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแมส้สถานที่ทางโยมมันเป็นที่ประกอบความภาคเทียนก็เต็มไปด้วยกิเลสทําหน้าที่ของตนอยนู่นั่นใช่ไหมนมองไม่เห็นอัดเห็นทมว่าทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทำทั้งหลายนั้นมันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่เสมดในเยบาทต่างๆแล้วจะหาทำมาจากที่ไหน นี่มันมันน่าอิหนาละอาใจนะคิเลศเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหนถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าหาใจปลาอยู่เท่านั้นคุณป่วยหาใจปลาอยู่เท่านั้น่ะ <c oughs> ยังจะคอจะจะขาดลมหายใจดูสิทิเลศมันในดุมล้อมที่ล้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นแหละ นิยานาจมากเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างโรคกำกําโรคมากมองดูก็มอ ง, มองตะลมหายใจที่จะดับเมื่อไเท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมี่กิตเลียดมันมัดอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนก็จะสิ้นลมอยู่นั่นแหละอสิ้นลมแห่งความหวังหวังมากผลนิพพานหวังลมลมแรงแรงแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามล่องรอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลย จะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์หรือเป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วภายในร่างกายนี้เอบงบังคับลงไปที่จิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี้จะไปเจออะไรถ้าไมเจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนในร่างกายนี้อยู่แล้ว เป็นแต่ของปลอมที่มันเสกสัรปั้นยอลงลงแรงแรงมองหาไม่ไม่เจอไม่เห็นเลยทําไมจึงไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาดนนะั้นขณะนี้จังของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนอหาพิเลนมันหอกว่ามีถาวรมั่นคงถาวรและสวยงามมันสวยงามอะไร ดูสิความจริงประกาศอยู่กลางวานอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจอยู่แล้วทำไมจึงไปเชื่อกิเลสได้อย่างลงคอแบบสนิทติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจริงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยไปยังไงนะักปฏิบัติเราอย่าเคยเทศให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าชาบผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่ เราเอาความมิเสียบวิโสอะไรมาจากอันนี้เสกสรรปัญนยอไปอะไรเสกรวมๆแรงๆว่าเป็นของเครื่องตรงแน่นหนามันคงท้าวรเป็นของสวยของงามเป็นเราเป็นของเราว่าไปเฉยมีแต่รวมๆแรงๆกันนั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยจริงความเชื่อตามจริงเสกสรรตั้นยอรวมๆแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําลายความจริงให้ พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ตั้งหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภ า, านร่างกายอันเต็มไปด้วยความจริงโดยไม่ต้องสงสัยกําหน ด, ดูที่ในร่างกายไม่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังดู มันหนาแนมที่ไหนคิวหนังเท่านั้นแหะหุ่มห่ อ, หอปิดหน้าร้านเอาไว้ภายในนเข้าไปนั้นเป็นอะไรดูกันได้เมื่อไหร่ถ้าโลกหนังออกดูสดูกันได้เมื่อไหร่ทั้งเขาทั้งเราเกลื่อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้ทั้งนั้นแล้วโลกนี้น่าอยู่ที่ไหนเราจะไปฝืนใจยึดถือได้เหรือไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ดื้อ กิเลสต้องยอมทําเสมอถ้าทําเหนือกว่าแล้วเพราะสิ่งสําคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อทั้งจิตใจทําไมจึงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสกับทำเป็นค่าสื่อกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรม กัเป็นเรื่องของกิเลสแต่ทาลายตนเองนั่นแหละคําว่าทําลายทำทำก็อยู่กับตัวไม่ทําลายตัวเองจะไปทําลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเปียวกับทำก็คือการทําลายเราที่นาให้หินแจมแจ้งเลยคลี้คายเอกไปตั้งแต่หนังผมดูสิถ้าลอกออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญา ตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้เราออกจนกระทั้งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูท่านไห่ะทางเนื้อทางหนังก็เป็นเนื้อเป็นกด็ดูมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโคกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนอย่างขันรูปประขันเต็ไมไปด้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นท่านเย็นได้ลงคอเหรือถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้ย ยิ่ต้องถอนความดิ้มั่งถือมั่นมันก็ว่างจริงๆมันมีแต่ร่างกายแค่นั้นอ่ะมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาตั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เสดสรรต์ตั้งย่อว่าเป็นของสวยของงามของเกลียวมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือนิจังทุกขังอนัตตาอสุภาสุพัมแล้ว มันเวริรงว่างไปหมดเลยสิไม่มีอะไรมากีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนะจิตใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงะจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนแต่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหรือเป็นไปได้เหรอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเงาเง า, เ, งาเท่านั้นเอง เวตนาะความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจคาฟังก็อาการอาการปไปหลยอนิจจังทุกขังนัตตาประจำอยู่หมดสัญญานิจานี่สังขารวิญญาณาังอนิจจังนัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุ ป, ปลูกปล่องไปหมด สิ่งสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจำปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงทุกทุกขเวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายสต่างๆพระศัพ์แต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่และอย่างนะอย่างออืสุดท้ายก็คือจิตนี้ตัวเป็นบ้าไปเกี่ยวกว้านนั่นไปเกี่ยวงมนี้รูปนั้นครลำนียนน้ยึดนั้นยึดนี้มา่มั่พอตัวเอง เมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองออกแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลำดับลำดาบจิตก็ยิ่งสง่างามนี้มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลำบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลำบากก็เพราะไปหลงรักสิ่งนั้นไปหลงชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นรักก็ยึดชังก็ยึด เกียดโกรธก็ยืดตั้งห่างเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนสิ่ง่านี้เข้ามาแล้วจะไปอะไรไปทำอะไรไปเกลียดไปโกรธอะไรจิจย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลำดับลำดาอย่างขั้นภูมิของกิจของถรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไปสุดท้ายก็ทางทางลายลงหมดบรรดา ก, กิเลสตัญหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หัวงใจ เมื่อปัญญาอันแหลมคมแต่กระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอานสายให้เป็นที่วางใจได้มีไหมมันไม่เห็นมันไม่มีอะไรก็รู้เลยชัดเจนแล้วอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตายใจได้มันก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันมันขังวลกับอะไรที่นี่ โลกแต่ว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เมื่อจิตใจไม่เป็นสําคัญสักอย่างเดียวด้วยความรุ่มหลงแล้วสิ่งเหนั้นเขาไม่ได้มาผูกมามัดจิตใจนี่นะไม่ว่าลูกเสียงกลิน่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโล ก, กาธาตุนีความเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นประจําตนเขาไม่ได้ว่าเป็นฆาตศึกเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดตัวที่เป็นฆาตศึ ก, ก็คือใจนี่แหละเพราะมันสังยาพิษไว้ที่ตัวเอง ย่อาออกไปตรงไหนก็ยึด ก, ก็ถือก็รักก็ชังก็เกลียดก็โกรธซึ่งบ้วนได้เป็นฟืนเป็นไฟก็มาเผาตัวเองนี่ปัญญาได้ช้าล้างลงไปช้าล้างลงไปจนกระทั่งไฟเหล่านี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นไผ่ตัวเองก็ไม่เป็นไผ่เพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาเขาหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะไปหาลู่ที่ไหนอีก รู้ออมาจากไหนอีกเป็นความ ร, รู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมแล้วไม่ต้องวิตกวิจารว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปยังไงบ้างพอให้เกิดความกังวลวุ่นวายกับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีออคาลิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดการคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติ นี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมื ด, มดบดบอดๆผูกๆมัดๆตัวเองอยู่นั้นจะไปรู้ที่ไหนแกก็ก็แก่ลงที่ตรงนั้นเมื่อแก้กันหมดชาล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเจะอะไรมาเป็นไผ่ไม่มีไผ่เหนือก็อยู่อยู่ได้อยู่ตามความกินแม้ถ้าขันมีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจําเป็น ตามสรรชาติ ญ, ญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นที่จะให้เกิดสรรพันญยญ์ย่ว่านั้นเป็นเราเป็นของเราและแบกหาเหมือนนี้ไปก่อน ม, มันเป็นเรื่องของกิเลสปังหาก็เมื่อกิเลสไม่มีแล้วจะอะไรมาพาให้แบกให้หาอะไรมาบาังคับให้หลงทำเรื้ร้วนไม่หลงทำเรืล้วนไม่แบกไม่ยึดไม่ถืออ<ะ>ทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยให้ไม่เคยเป็นค่าสิบต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นคุณโดยถ่เยเยลเท่านั้น เราผู้แสดงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไงจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่แบบประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่ผิดของเราผู้ต้องการธรรมผู้สอบแสวงหาธรรมเราจะทําวิธีใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอขี่เกียรติขี้ข้านมาพอมันเป็นทางสแสวงหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหากอันนี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันไว้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 ทารินแสงธรรมก็เห็นแก่รสแก่ชาเห็นแก่ความอริดอร่อยท้องแสงธรรมก็อยากกินมากๆจะได้นอนมากๆากขี้เกียจมากมากแล้วกิเลสจะได้ท่วมหัวใจไม่มีวันโถขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการน้าผลนิพพานนั่นคือครั้งกิเลสอย่างนั้นสอบแสวงหาอะไรก็มีนั่นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับหัวใจคิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมล้วจะเลือกอะไร ผมกับเราเป็นลูกศิษย์าโคตรได้มาบวชนักพุทธศาสนาว่าจะชาําระกิเลสเราจะชําระแบบไหนหรือจะชํระแบบที่ว่ากินแล้วนอนกรนแล้วนินที่เกียดขี้ค้านมากมากนี่เหรอนั่นไม่ใช่การชาําระกิเลสมันการกว่ามันเป็นการกว่ากิเลสมาเผาเราให้ขี้ผายใบพวงไปเสะิล ด, ดมันน้อนนี่ต่างหากหพากันจํามาไว้ผู้ปฏิบัติแล้วมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้ว ของเร็วสามต่ำช้าที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้แสดงไว้หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นนักจิมมาแสดงทั้งโทษทั้งขุนนิเลศเป็นเรื่องของโทษทําเป็นเรื่องของขุ่นแสดงอย่างถึงใจทุกบททุกบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่ยังจะมานอนใจนอนจมอยู่นี้สมควรแล้วเหรอเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศกลางวันว อยู่ทั่วแดนโลกธาตให้ปรากฏขึ้นภายจิตใจของเราดวงนี้ดวงกําลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิทมขึ้นไปเป็นขัข้นๆน า, ง, า ง, งท่านกล่าวไว้ตามตลอดตำราว่าสมาธิปัญญาวิมุตตท่านบอกว่ายังไงนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิต้านําธรรมะท่าน ม, มาปฏิบัติตามท่านชี้บอกไว้ ปฏิบัติอย่งางไรกิจจังจะ ส, สงบก็เอากันด้บังคับขนองไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผลทางความเพียเ่ยนกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ถ้าให้จมอยู่นี่แหละกิเลสผาดผลต้องผาดผลในการต่อสู้อะเมือ่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่ อ, อนกําลังลงก็สติปัญญาศรัทธาขนองเพี่ยนไม่ต้องบอกจะมีความเข้มแข็งไปเดิมดับคําว่าจะลดหย่อนไปตามนั้นไม่มี นี่แต่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ส่วนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งฐานฐายเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของทํามไปโดยลาบับแล้วจะทําให้คนอ่อนแอได้อย่างไรทําไม่เคยทําคนให้อ่อนแอกิเล ต, ตังหากทาคนให้อ่อนแอทําคนให้นอนใจทําแล้วไม่ไม่เลยทําคนให้นอนใจนี่จะมีความเข้มแข็งและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว นั่นแหละไอ้อิสระแท้ใคาจะเสียดสันตัญญาว่ามิเศษทีววษ่ไม่มิเศษไม่สําคัญพอตัวหมดแล้วคําว่ามีเศษนั่นก็เป็นชื่อเป็นสมมุติอันหนั่งต่างหากความติเตียนก็เป็นโลกกธรรมความจมเชยก็เป็นโล ก, กธรรมฟังแต่โล ก, กธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบกันนั่นแต่เวลาทําลายทําลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงจริงไม่ได้เรื่องสิ่งอันนี้นจะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันจริงไม่ได้ มันจะไปตื่นไปหลงเอาจิตให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอมหุ่งอะไรใครจังหวัดวิเศษไม่วิเศษเป็นลมปากของเขาไปตื่นนะเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครไม่มาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพุกไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก้ที่นี่แล้วใครจะมาชมเคยสนเสริญไม่สนเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจ อยู่นั้นก็อยู่ได้สบายเท่านั้นนั่นเป็นเรียกว่าความอิ่มพอของใจทําให้พอด้วยทำที่กล่าเหล่านี้ไม่ใช่ทำต้ดต้ น, น, นดาวดาวไม่ใช่ทำลมลมแรงแรงของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงล้นล้วนผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วจะได้เป็นเจ้าของงานธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัย ยังขอให้ากันตั้งอกตั้งใจเพือปฏิบัติมาเอาจริงก๋วจัอグ่ายเป็นเพ่นพันเด่นด้านขี ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดขวางหูขวางตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเดนมากเท่าไหร่ก็ยิ่มหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านขวัญหนักไปแบบหนึ่ง เ, เราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันเราก็หนักไปแบบหนึ่ง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 ความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายก็ตาด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวกเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมาชาติชั้นมันณนะฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาลนกันเลยมีแต่อแต่ธรรมล้นลวนลว น, นี่คือความอยู่เป็นจุกระหว่างแห่งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันําหนับนักบวชเราอยู่อย่างนั้น ขายพูดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุถือผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดมันเป็นความโง่ตายเต็มตัวภายในผู้นั้นเยี๋ยวออมาขายตลาดสถานที่นี้มันจะเป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งกิเลสความโง่เขลาของตนที่สําคัญตนมาเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่อย่านํามาขายนะตั้งใจประพฤ่อปฏิบัติให้จริงให้จังต่ออัดต่ อ, ตอทำ การจะยังทำเห็นว่าสงควรดตัวนี้